การปรับปรุงสภาวะธรรมด้วยไตรสิกขาเมื่อพระองค์ได้ทรงพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงทรงรู้ชัดว่าสภาวะธรรมของแต่ละบุคคลนั้นถ้าปล่อยให้เพียงเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็ตายกันอยู่อย่างนี้ซึ่งเป็นไปตามบุญตามกรรม ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นที่น่าสงสารสังเวชเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในเมื่อพระองค์รู้ความจริงของกฎของสภาวะธรรมที่มีอันเป็นไปในกฎของพระไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อรู้ชัดแจ้งเช่นนี้ พระองค์ย่อมทรงทราบกฎหรือระเบียบที่จะพึงกล่อมเกลาสภาวะธรรมให้มีสภาพดียิ่งขึ้นสิ่งที่กล่อมเกลาหรือปรับปรุงสภาวะธรรมให้มีสภาพดียิ่งขึ้นนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศไว้ก็ได้แก่ 1. ศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ปราศจากโทษที่พึงล่วงทางกายทางวาจา 2. ส, สมาธิการตั้งใจมั่นหรือมั่นใจต่อการทำความดี 3. ปัญญาความรอบรู้คือรู้รอบในสภาวะธรรมที่จะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติของธรรมดาในเมื่อพระองค์ทรงทราบเช่นนี้ ย่อมส่งบัญญัติหลักการปฏิบัติไว้ซึ่งเรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา